ท่านประโยคาไวจรทั้งหลายสำหรับวันนี้ท่านได้สมาทานเระกรมมรมฐานสมาทานศีลแล้วต่อไปก็สนับการเจริญประกรรมฐานในด้านปกินกะคือเล็กๆน้อยๆทั้งนี้ก็เพราะว่าพื้นฐานข้อเรามีกันดีแล้ว แต่คําว่ามีดีนี่ผมหมายความว่าผมให้ไวหมดแล้วให้ไว้เยอะตอนนี้ก็อยากเอาบุคคลตัวอย่างในสมัยพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแนะนํากับท่านบุคคลตัวอย่างในที่นี้ให้นามว่าพิสูจน์ห้าร้อยรูปเรื่องก็พิสูจน์ห้าร้อยนี่มีอยู่เยอะ ท่นปฏิบัติเกิงขาวละห้าร้อยความตามธราบาลีมีอยู่ว่ามาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพทุทธเจ้าทรงประทับยับยังสำราญอธิยาบทปรากฏว่าอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารสมเด็จพระวิชิตมานทรงปรารบพิสุห้าร้อยรูป ยังได้ตรัสะธรรมเทสนาว่าสเพสังขาราเป็นต้นตอนนี้ท่านต้องฟังก็ให้ดีนะครับ <c oughs> ฟังแล้วก็คิดไปด้วยใช้เป็นยาพิจารณาตามไปจงยาฟังแต่เป็นบุคคลใช้แต่เพียงสัญญาอย่างเดียวถ้าฟังแล้วใช้สัญญาอย่างเดียวผลไม่เกิด ธรรมะของพระพุทธเจ้าที่เราสดับฟังแล้วก็คิดคิดแล้วปฏิบัติตามปลดไปด้วยไปเดียวเดียวก็เสร็จความเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่ของยากแต่ว่าความเป็นพระอรหันต์ก็ไม่ใช่ของง่ายสำหรับคนที่ไม่ได้ความยิ่งฟังแล้วไม่รู้ภาษีภาษาอะไรอันนี้ไม่ได้ความ ฟังส่งเดชไม่มีผลนี่ลองฟังดูตามกระแสพระสธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระทศพลที่ทรงตรัสแล้ววันพระพระได้บรรลุมากผลในเขาศึกษากันยังไงเอามาเปรียบเทียบกับบรรดาตัวของเราเองทัานนี้ผมไม่ชด้บรร n a ว่าท่านเป็นคนงโง่หรือไม่ได้บรร n ามว่าท่านเป็นคนเลว เอามาเปรียบกําลังใจกัน่ซนใดเป็นที่ชอบใจเป็นแนวทางปฏิบัติเราเอาตามนั้นตามพระบาลีท่นกล่าวว่าได้สดับมาพิสุเหล่านั้นห้าร้อยรูปเนะ่เรียนพระกรรมฐ า, านในสำนักพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็พากันภาคเพียนพยายามอยู่ในป่า แต่ก็ไม่ได้บรรลุพระอาหารหันต์จึงคิดว่าเราจะเรียนพระกรรมฐานให้ดีไปกว่านี้อีกจึงได้กลับไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังพระเชตวันมหาวิหารไปขอศึกษาพระกรรมฐานกรองค์สมเด็จพระพิชิตตมารเวลานั้นสมเด็จพระผู้มีพระพายเจ้าจึงได้ทรงพิจารณาว่า กรรมฐ า, านอย่างไหนน้อแรอยจะเป็นที่สบายข ม, มันดาพิสุทธิ์ทั้งหลายเหล่านี้จึงได้ทรงดำริว่าพิสุ พ, พวกนี้ในการก่อนที่พระพุทธเจ้าทรงพระ น, นามว่าพระพุทธกสพตามปรกอบแล้วในอนิี้อจะรักษณะ คำว่าตามแยกอบก็หมายความว่ามีอารมณ์ไข้ครวรอยู่เสมอในอนิจจลักษณะอนิจจลักษณะนี่แปลว่าคิดไว้เสมอไข้ควรอยู่เสมอจิตทรงอยู่เสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันเป็นของไม่เที่ยงนี่แกยันไว้แค่ไม่เที่ยงอย่างเดียว คนก็ไม่เที่ยงสัตว์ก็ไม่เที่ยงวัตถุธาตุทั้งหลายมันก็ไม่เที่ยงอารมณ์ของเราก็ไม่เที่ยงไม่เที่ยงยังไงคนเกิดมาแล้วก็แก่ขึ้นไปทุกวันร่างกายสุดโทมทุกวันบำรุงบำรเรอยอยังไงมันก็ไม่ทรงตัวก็แสดงว่ามันไม่เที่ยง ในที่สุดมันก็พังสัตว์ก็มีสภาพเหมือนกัน <c oughs> วัตถุธาตุทั้งหลายที่เพิ่งมีอยู่เรานึกว่ามันจะเที่ยงสร้างบ้านสร้างเรือนแข็งแรงเป็นตึกเป็นรามแต่ในที่สุดสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันก็พังไปหมดมันก็ไม่เที่ยง <c oughs> นี่ท่านเรียงเรียนเรื่องไม่เที่ยงมาในสมัยพระพุทธองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมพระ น, นามว่าพระุทกะศบฟังเรื่องของท่านแล้วก็ ใ, ใจของเราไปจับตัวบ้างว่าเวลานี้จิตใจของเราทําไหลเห็นว่าอะไรมันเที่ยงบ้างตัวของท่านเองเที่ยงหรือเปล่านั่งนึกนะครับ ว่าตัวของท่านน่ะมันเที่ยงไหมบิดามารดาของท่านเที่ยงหรือเปล่าาติผู้ใหญ่ของท่านเหนือขึ้นไปน่ะเที่ยงหรือเปล่าถ้าว่าเราจะมองกันตามคติที่เรกว่าไม่เที่ยงมันก็ไม่เที่ยงไม่เที่ยงเพราะอะไรเพราะพ่อของเรามาก่อนท่านเป็นเด็กต่อมาท่านก็เป็นหนุ่ม แต่งงานกับแม่ของเราเราเกิดขึ้นมาท่านแก่ลงไทุกวันพ่อแม่รบรบปรารถนาต้องการจะให้ท่านเป็นที่พึ่งของเราแต่ในที่สุดทั้งพ่อและแม่ปู่ย่าตายายญาติผู้ใหญ่ทั้งหมดถ้าเปิดหนีตายหมดไปตามๆกันมันเที่ยงไมเพรารับตรงนี้ เราจะเห็นว่าอาการของร่างกายไม่เที่ยงแต่สภาพอย่างหนึ่งมันเที่ยงนหะครับเพราะเพราะว่าตามธรรมดาขันห้าคือคนกนดีใส่คนดีหรือว่าวัตถุท่ายคนดีมันมีสภาพเที่ยงอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความเสือ่อมไปทรงกลางมีการสลายไปในที่สุดในอาการของมันเป็นอย่างนี้ มันเที่ยงแต่ใจเรามันไม่เที่ยงคนแก่ให้เราดูมีให้เราดูนับไม่ถวนคนตายเขาตายให้เราดูนับไม่ถวนคนป่วยเขาป่วยให้เราดูนับไม่ทวนไอเราเองนี่ก็เหมือนกันความเคลื่อนไปของชีวิตมันมีอยู่ทั้งครุกณะจิต ถ้าหากว่าเราไมคิดว่ามันออกจากท้องแม่พ่อพ่อแม่เนี่ยร่างกายเขามันโตแค่นี้ไหมถ้าทราบว่ามันไม่โตเรานึกว่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงนี่ความจริงสภาพของร่างกายมันเที่ยงของมันแต่เราประยุกต์ว่ามันไม่เที่ยงเพราะอะไรเพราะมันเกิดแก่เจ็บตายอารมณ์ไม่ทรงตัวมันเป็นปกติของชาวโลก แต่เราไปดึงจะให้มันทรงตัวมันไม่เที่ยงหรือว่าเราไม่เที่ยงนี่การศึกษาพระธรรมของพระเจ้าอัตนาโจธยาตานังจงด่าใจของเราไว้เสมอว่าไอ้ใจนี่มันเลวมันมีสภาพไม่เที่ยงไม่ยอมรับนับถืออะไรจริงๆมันไร้ปัญญา อะไรพวกของในโลกนี่ไม่มีอะไรมันเที่ยงทําไมมันจึงมีความรู้สึกว่าจะเที่ยงวันนั่นก็คงกูนี่ก็คงกูพอ่อคงกูแม่คงกูลูกคงกูเมียคงกูผัวองกูสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จะต้องอยู่กับกูตลอดไปอารม์ใจมันเลวที่ทันมันไม่ยอมรับน้ำพือความนจริงมันเลวอย่างนี้ ใจมันไม่เียงก็บังคับใจมันเที่ยงเสียเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องของท่านต่อไปนี่นี่เราเราฟังกันเพื่อการศึกษานะไม่ฟังนิทานที่พระพุทธเจ้าท่าทรงเป็ดนดาริว่าคือทราบด้วยอำนาจพระพุทธญาณว่าพระผู้นี้ในสมัย พ, พระพุทธกษัริย์ปรารบความไม่เที่ยงอยู่เป็นปกติ ในอารมณ์ที่ปรารบอย่างนี้ใช้เวลาถึงสองหมืนปีแกยันไม่เที่ยงไม่อย่างเดียวเมื่อยันไม่เที่ยงอย่างเดียวก็ไม่ปลดความไม่เที่ยงก็เลยไม่ได้เป็นพระอรหันต์ฟังกันดูให้ดีนะเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระิชิตามานขณะที่จะสแสดงวัรรมทศสนา จริงคิดว่าการสแสดงคาถาด้วยอ น, นิจจ์ลักษณะนั้นเราจะเท่ให้แก่เธอสักคาถาเดียวก็สมควรเพราะว่าแก่ทรงความไม่เที่ยงมาแล้วเนี่ล่อไม่เที่ยงแท้จนชุ่มเวลานี้เราไปสะ ก, กิจไม่เที่ยงเขาหน่อยเดียวคือส ก, กิจแผลเก่า เธอก็จะไม่ไม่ทรงอยู่ในสภาวะของความเป็นผู้ทุชนแต่ตั้งต้นในเนื่องในความเป็นพระอรียเจา้าโอ้โหฟังให้ดีนะจำให้ดีนะครับพวกเราว่าการที่พวกเรายึดถือธรรมะส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นสำคัญถ้าธรรมะส่วนนั้น เราจับไว้เป็นคติทรงอารมณ์อยู่บาเออที่มันจะไม่เป็นอรหันต์ในชาตินี้ต่อไปพบองค์สมเด็จพระบรมครูมีนามว่าพระสีอาริยะไม่ไตกลแค่แผลเก่าเข้าดังนั้นแหละความเป็นอรหันต์มันก็จะปรากฏเป็นวันว่ามาองค์สมเด็จพระบรมสุคตดัมฤกดังนี้แล้ว ยงได้แต่กรัรรนาภิสุท์ทั้งหลายเหล่านั้นว่าภิกขเวดูก่อนภิสุทธ์ทั้งหลายสังขารทั้งปวงในภพทั้งหลายมีการมาพบเป็นต้นมีสภาพไม่เที่ยงเลยเพราะว่ามีแล้วก็เหมือนกับไม่มีเนี่พระพุทธเจ้าเทแค่นี้นะ จำไว้ให้ดีนะแสงขานทั้งปวงในภพทั้งหมดมีกามาพบเป็นต้นนี่อะไรกามาพบกามาพบก่อนมนุษย์โลกนี่ก็เป็นกามาพบเทวโลกก็เป็นกามาพบสาหรับรูปแบบพรสำหรับรูปแบบพรก็เรียกว่ารูปแบบพบรูปพรที่มีรูปเป็นอันว่าสภาวะของคนคนดี ทเทวดาก็ดีพรมก็ดีไม่เที่ยงเพราะไรการเกิดเป็นคนมันก็แก่มันก็ป่วยมันก็ตายเกิดเป็นทเทวดาถ้ามีสภาพอะไรหมดบุญวาสนาบา ร, รมีก็จติเคลื่อนไปเกิดเป็นพรมทั้งหมดกำลังชานเมื่ อ, อไรก็ไปอีกแล้วเป็นนามภพต่างๆใน้หาความเที่ยงไม่ได้ ไม่มีสภาวะใดๆที่มันจะพึงเที่ยงแล้วท่านยังตรัสเป็นพระพุทธภาษิตว่าเมื่อใดบัณฑิตย่อมเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงเมื่อนั้นย่อมเบื่อหน่ายในทุกความเบื่อหน่าย้นทุกนั่นเป็นทางแห่งความหมดจดพระพุทธเจ้าตรัสทนี้เอง เป็นอันว่าเมื่อจบวัรรมเทศนาสั้นๆแบบนี้บรรดาพิสุดตหลายเ่านั้นก็ตั้งอยู่ใ น, ในอรหัตผลแล้วท่านบอกว่าวธรรมเทศนาเป็นประโยชน์แก่ชนไปอันมากตอนนี้เราก็มานั่งไล่เบียรกันสิตอนนี้ผมให้ท่านนั่งคิด คิดตามผมพูดหรือว่าคิดตามกําลังใจของท่านก็ได้ว่าในศาสนาในสมัยเขาอ ง, องค์สมเด็จพระจอมไตรพระพุทธเจ้าเทศไม่มากสอนไม่มากแต่ท่านอยู่กับผมนี่ผมน่ากลัวมันจะพูดมากเกินไปนะพูดกับท่านอยู่ทุกวันทุกวันทุกวัน แต่ว่าการพูดกับท่านแบบนี้นี่ผมไม่ได้ประนามว่าท่านจะเลวแต่หากว่าบังเอิญท่านนั่นหลายไม่มีความเข้าใจในคําแนะนําของผมผมก็ถือว่าผมเลวที่ไม่สามารถจะนําความรู้มาแนะนําให้ท่านบรรลุมรรคผลได้นี่ถ้าจะพูดกันไปทีแล้วก็ตัวผมเองล่ะ ตัวผมเองนี่บรรลุมรรคผลแล้วหรือยังต้องคิดไม่ว่าต้องคิดจะบรรลุหรือไม่บรรลุก็ช่างดูตัวอย่างในสมัยพระพุทธเจา้าพระเทศท่านเป็นสุขาวิปัสสโกท่านก็นสอนให้คนอื่นเป็นพระอรหันต์ได้ อันนี้การคำสอนนั้นมันไม่ใช่คำสอนของท่านเป็นคำสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศ า, ศาสดาเหตการที่ผมแนะนำท่านก็เหมือนกันผมแนะนำท่านนี้ไม่ใช่ความรู้ความดีของผมเป็นความรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนนี้ไปก็มานั่งไล่เบียดดูที่ที่พระพุทธเจ้าท่านพูดแตมันถูกหรือผิด พูดเท่านั้นพระพวกนั้นเป็นพระาอรหันนี่มันแปลกเนาะแปลกไหมครับเพราะว่าท่านั้นหลายไม่แปลกเก่ยเรื่องท่านพาหิยะพระพุทธเจ้าตรัสสั้นๆว่าภาหิยะเธอเห็นรูปแล้วจงทำจิตแต่เพียงสักตะไไวเห็นเท่านี้ท่านก็เป็นอรหัน ท, ทันที ใ น, นมาตอนนี้เราฟังคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระมหามุนีท่านกล่าวยาวออกไปนิดหนึ่งนะฮยาวไปหน่อยนะแ่้วมานั่งคลำนั่งคลำดูท่านบอกว่าเมื่อใดบัณฑิตย่อมเห็นด้วยปัญญาว่าใช้ปัญญาพิจารณาในครับว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อนั้นย่อมเบื่อหน่ายในทุก นั่งทุกอะไรมันทุกอะเมื่อสังขารมันไม่เที่ยงถ้าจิตใจเข้าไปยึดไปถือมันต้องการจะให้มันเที่ยงใจมันก็เป็นทุกตอนนี้เราก็เลยเบื่อจะทุกข์มันซะเลยเมื่อสังขารมันไม่เที่ยงเรามีสังขารต่อไปมันก็เป็นทุกยังดีั <c> ้ม <oughs> ถูกไหม ฟังกันมานานแล้วคนที่ฟังผมเข้าใจว่าท่านเป็นผู้มีปัญญา <c oughs> ผมไม่เคยคิดเลยว่าใครจะเป็นคนเลวเป็นคนไม่ดีไม่มีปัญญานี่ผมไม่เคยคิดตัวนี้ไอ้คอมันจะรบกวนผมนะหนาหวัดมันรบกวนไม่พอแล้วไอ้คอมันจะไ อ, อีกด้วยไอ้คอผมมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะสิ ใ น, ในเมื่อคอผมไม่เทียงแล้วเสียงมันก็ไม่เทียงไอเสียงไม่เทียงเลยทำใจท่านนังหลายให้ไม่เทียงไปด้วย <c oughs> พ, ออพ่อไรพ่อบาบท่านก็นจะมานั่งนึกว่าคำแนะนำของผมในคืนนี้เนี่ยมาคงเยอะว่ากันซะเรียบร้อยนิ่มนวลภพเราะจับใจไพเราะสนอสดนะะ จับอกจับใจไม่มีอะไรเข้ามาสะดุดพอพูดเรื่องไม่เที่ยงเขา อ, อย่างเดียวพ่อเทวดาไม่เที่ยงคอกกก็เกิดขึ้นมาอยู่ๆแกก็แกย่ไอพูดๆไปจมูกมันก็คัดจมูกมันเป็นหวัดสั่งน้ำมูกพูดปาดพูดปาดนี่ท่านหลายเห็นว่าอ ก, การท่านหลายเรานี้มันเที่ยงหรือไม่เที่ยง เที่ยงไม่ขอรับถ้าเห็นว่าเที่ยงก็ถูกเที่ยงเพราะว่าธรรมดาข้อร่างกายมันจะต้องเป็นอย่างนี้ห้ามปรามมันไม่ได้แต่ถ้าว่าเราจะว่าไม่เที่ยงมันก็ถูกว่าร่างกายที่มันควรจะทรงตัวเพราะเราเลี้ยงมันอยู่ตลอดเวลาแต่มันกลับมีอาการไม่ทรงตัวขึ้นมามันก็ต้องไม่เที่ยง ดีไหมครับเอากันอย่างนี้สบายดีนะเที่ยงก็ได้ไม่เที่ยงก็ได้สุดแล้วแต่ปัญญาของท่านท่านบอกว่าไม่เที่ยงแล้วก็มีความเบื่อหน่ายในทุกเพราะว่าถ้าไม่เที่ยงเรายึดถือมันซะแล้วมันก็เป็นทุกข์เราเบื่อหน่ายในทุกเป็นยังไงเราก็ไม่ทุกข์มันซะเลยสิ ยาทุกมันทำไมมีความรู้สึกจุดเสมอว่าสภาวะของร่างกายมันต้องเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาไม่มีทางจะหลีกเลี่ยงได้ถ้าเรายังต้องการความมีร่างกายอยู่มันก็ต้องประสบกับอาการอย่างนี้ไม่มีอาการทรงตัวแล้วเราก็เลยไม่ยึดไม่ถือมันทั้งสองอย่างทั้งร่างกายและอาการแห่งความทุกข์ ยุ่งไหมยุ่งไหมครับไม่ยึดถือทัร่างกายและไม่ยึดถืออาการใดๆที่มันเสื่อมมันเปลี่ยนแปลงขึ้นมามันแทรกซ้อนขึ้นมาที่เป็นปัจจัยที่เราคิดว่ามันเป็นความทุกข์โยนมันทิ้งไปทั้งสองอย่างร่างกายก็ไม่ยึดถือว่ามันเที่ยงอาการทางกายที่เราเรียกว่าทุกข์เราก็ไม่ถือว่ามันทุกข์ เพราะการของทุกข์ปล่อยให้เป็นเรื่องของคันห้าจิตใจเราสบายสบายตรงไหนสบายตรงที่คิดว่าถ้าร่างกายนี้พังเมื่อไร่เตสังบูปสมโมสุขโคขซึ่งแปลเป็นใัความว่าการเข้าไปสงบกายนั่นชื่อว่าเป็นสุขก็ ห, หมายความว่าการไม่มีกายนั่นเอง ในเมื่อกายมันไม่มีไม่ยึดถือในร่างกายทุกอย่างกายคนกายเทวดากายพรหมท่านบอกแล้วนี่ในพบต่างๆคันห้าไม่เป็นเรื่องเราก็ไม่เอาบัญ ท, ทั้งหมดไอ้กายทุกกายเป็นกายไรฉันไม่ต้องการความเปลี่ยนแปลงของร่างกายมันจะเป็นยังไงก็ช่างฉันไม่ทุกข์ฉันถือว่าเธอมีสภาพเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาฉันยันทุกทําไม เพราะว่าฉันไม่สนใจในขันห้าฉันไม่สนใจในอาการใช้สังขารุปเปฆ ย, ยานอารมณ์วางเฉยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาหมดเรื่องกันไปเลยเป็นอันว่าหมดเรื่องกันไปเลยไม่มีสภาวะอย่างนี้ไม่มีต่อไปอารมณ์อย่างนี้มันเกิดขึ้นกับเราสังขารเป็นยังไงก็ฉางมัน อารมณ์จะเป็นยังไงก็ช่างมันถ้าภาวะเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไปในร่างกายเป็นยังไงก็ช่างมันช่างเพราะอะไรช่างเพราะไม่ต้องการมันต่อไปถ้าคิดอย่างนี้ท่านก็เป็นอรหันต์คิดไม่แค่เนี้คิดแบบสบายๆเป็นอรหันต์ถ้าลงช่างมันเส้นได้แล้วใครย่าก็ช่างมัน ใครจะว่าก็ช่างมันใครจะเสียดสีนินทาก็ช่างมันใครจะสันเสริญก็ช่างมันมันจะแก่ก็ช่างมันมันจะป่วยไข้ไม่สบายก็ช่างมันมันจะตายก็ช่างมันของรักเที่ยพัดพราแจกกันก็ช่างมันเพราะสภาพของมันเป็นอย่างนี้ทําได้ไหมครับ ถ้าทำได้เดี๋ยวนี้เป็นอรหันต์เดี๋ยวนี้ถ้าเดี๋ยวนี้ทำไม่ได้เป็นวันหลังก็เปิดก็วันหลังทำได้ก็เป็นอรหันต์เป็นนั้นว่าสภาวะทั้งหลายมันเป็นของไม่ดีเราปล่อยคันห้าปล่อยอารมณ์แหงความเป็นทุกข์ นักเสาะกำลังใจเป็นสุขโดยการยอมรับนับถือกฎของธรรมดาอย่างนี้เที่ยงในครับสบายอารมณ์สบายจริงๆวันนี้เรากินแกงหมูพรุ่งนี้ยายเพิ่งนึกว่ายายเพิ่งกินได้กินแกงไก่นึกว่าวันนี้ยายกินอะไรก็ช่างพรุ่งนี้ยากินอะไรก็ช่าง สภาวะของมันมีสภาพอย่างนั้นกินก็อยู่กินก็ตายไม่กินก็ตายเรากินมากตายเร็วถ้ากินมากตายช้าก็ตายกินน้อยตายเร็วกินน้อยตายช้าก็ตายเมื่อตายทั้นนั้นมันตายไปทุกวันจะไปนสนใจอะไรก็บไอ้สภาวะที่มันจะบำโนให้เราตาย อารมณ์ใจของเราไม่ยึดถืออะไรทั้งหมดอย่าไปยึดถือจุดของความสุขอย่าไปยึดถือจุดของความทุกข์ใดๆไม่มีเป็นอันว่าไม่มีอีกแล้วเลิกกันยกย่อยกันไปถ้ากำลังใจของท่านทรงอยู่อย่างนี้ก็ดูตัวอย่างพระพิสุห้าร้อยรูป พระพุทธเจ้าบอกว่าอัตภาพจะเป็นพบ ใ, ใดๆก็ตามอัตภาพมนุษย์คนดีเทวามาพบก็ดีรูปมพบก็ดีหมายความอัตภาพที่เป็นมนุษย์คนดีเป็นเทวดาก็ดีเป็น ท, กนทงก็ดีมันไม่เที่ยงน้ามันไม่เที่ยงแล้วก็เบื่อหน่ายในทุกข์ไอของสิ่งใดที่เราเบื่อมันก็ไม่ทุกข์กจ้ะ วเวราเบื่อแล้วเราไม่ต้องการไม่ต้องการความทุกข์พ่ออะไรพ่ะยอมรับนับถือกฎของธรรมดาธรรมดามีอย่างนี้อย่าปลนเปลือยให้มันดีไปกว่านี้อีกไม่ได้แล้วเป็นอันว่าเราก็เลิกคบมันทุกอย่างทําใจวางเฉยมันจะมายังไงก็ช่างคิดไว้เสมอว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายสําหรับเรา ชาติหน้าไปขึ้นชอวการเป็นมนุษย์กนดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นพรหมคนดีไม่มีซหแับเราแล้วเราจะเป็นอะไรเราจะเป็นอะไรก็ช่างมันเราไม่เป็นคนเราไม่เป็นสัตว์ชั้นไม่เป็นเป็ดไม่เป็นสุรกายไม่เป็นสัตว์นรกเราไม่เป็นเทวดาเราไม่เป็นพรหมไม่ต้องการมนิยมอะไรมันทั้งหมด แล้วมันจะเป็นอะไรก็ช่างมันที่ท่านเรียกวา น, นิพาน์อราบนาพโยคาวจรทุกท่านเวลาหมดเสร็จแล้วคิดว่าการแนะนำเท่านี้มากไปสำหรับพุกท่านได้รับคำแนะนำอยู่เสมอต่อที่นี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน่น กำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอฏิยาสายจนกว่าท่านจะเห็นว่าสมควรเกิเวลาสวัสดี